เวลานี้เรามาประชุมร้องเพียงกันในศาลากา ร, ปรเปรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนคำว่าตนในที่นี้หมายเอาทางทางกายด้วยทางจิตใจด้วยฝึกกาย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 ฝึกใจก็ตั้งสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อย่าคิดส่งออกไปข้างนอกเพราะจิตที่มันสงบไปได้กับเรนมาแต่มันคิดส่งสายไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกนั้นแ่ยะมันถึงจะสงบตรงไม่ได้ที่จิตใจมันสงบตรงได้นั้น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 มันเที่ยวไปเกาะสิ่งโน้นไปคล้องสิ่งนี้นักชาติไม่ทวนทีเดียวแต่พากันคิดทบทวนดูให้ดีแล้วจนฝานนี่มันก็ยังทนทุกข์ไปไ่ได้แถมยังมีทุกข์อีกตั้าถ้ า, าว่าไม่ได้มาฝึกผลตนอย่างว่านี่นะ กิจนี่มันก็ตกเป็นาธาตุแห่งตัณหาตัณหามันกระสุดคล้าไปหาเงินหาทองทำการทำงานคนไม่มีความรู้ก็ไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกแบกหามหามหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดิน หาความสุขสบายอะไรไม่ได้เลยคนที่มีความรู้หน่อยก็ได้ไปเป็นข้าราช ก, การงานเมืองเป็นครูบ้างเป็นนายอำเภอบ้างเป็นเสมียนกลาบ้างเป็นพนักงานแผนกต่งตางๆบ้างผู้มีความรู้สูงกว่านั้นก็เป็นผู้ว่าราช ก, การ ตั่างเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> ขึ้นชื่อว่าการวางงานในโลกนี้แล้วอันซึ่งมันจะไม่ยากแล่นไม่มีซึ่งจะไม่ลําบากนั่นไม่มีาการทําการทํางานเพราะเหตุว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยอาอะไรมันมาได้ง่าย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 จะซ้อนใจกางเรื่อยไปทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปสิ่งที่มีวิญญาณคองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลยแหละไม่แตกต่างกันเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสามัญลักษณะ แปลว่าลักษณะเสมอกันแห่งทั้งขานทั้งพวงเจรนาตรลักษณะญาณ น, นี้ให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจราชนีมันก็สามารถที่จะปล่อยจะวางโลกอันนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตบรรจงอะไรก็ตามเลยนั่นก็อยู่ในลักษณะสามนี้ทั้งนั้นเนี่ย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 ที่เรณาความจริงสิ่งที่ตนรักตนชังนั้นเลย <c oughs> มีแต่คว้าเอามาเลยแหละแต่ตนชอบใจสิ่งได้แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นหละจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้แต่แทนที่มันจะอำนวยความสุขให้มันกลับอำนวยความทุกข์ให้ซ้ำ <c oughs> อย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้แหละ ที่แรกคิดในใจว่าเมื่อความรักมันมีอย่างนี้เมื่อได้สิ่งที่ตนรักนั้นมาแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายอย่างี้จึงหาลูกหาเมียกันเมื่อได้มาแล้วมันไม่ใช่เป็นความสุขแตแล้วเพราะว่าสมสู่อยู่ด้วยกันต้องมีลูกมีเต้าออกมา ต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากั น, นอลลระเวงไปเลยมีหลายคนมาเท่าไรก็ยิ่งการงานยิ่งมากขึ้นเงินไม่พอใช่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนำมีต้ำบางรายเลี้ยงลูกไม่ทันใหญ่ตัวเองก็เจ็บป่วยลงรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ตายจากลูกจากเมียภัยผู้หญิงก็ตายจากลูกจากผัวไปตายไปด้วยความอะไรด้วยความเศร้าโศกบางรายก็เกิดโรคภัยอดอดแอดแอดอยู่ในร่างกายจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปก็ไม่ตลอดรอดฟัง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 เพียงแต่เอาใจใส่กับวัตวาศาสนาสนุบำรงพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยดีผู้แสวงหาทางคนทุกโดยชอบเราผู้เป็นผู้ครองเรือนเรียกว่ า, าศาสนูประสามพกยกย่องพระพุทธศาสานา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 อารัก c h คนไม่มียังอายก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าบวชมาแล้วถึงจะประพฤติตามธรรมในวินัยหรือไม่ประพฤติก็มีผู้เลี้ยงดูผู้เสือ่อยู่อย่างนี้นะคนเกียดครลานทำการงานในโลกมันก็หลังกันมาบวชหมดแล้วนั่นแหละก็มาทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมไป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 ยังเป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในใจไม่มีความเพียรพยายามที่จะชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากกิจใจมีแต่สมชื่อว่าบวดเอาผ้าเหลืองมานุ ม, มาหม่มแล้วกับปฏิญญาตอนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอันประเสริฐ พอเป็นอุปนิสัยปัจใจติดตัวไปเท่านั้นเองซึ่งจะศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจโดยเข่มแจ้งในแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เนะี่ยมีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่า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 ไม่ว่าฆริหัตไม่ว่านักบวชเป็นคริหัตก็ตามถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามผู้ที่เกิดมาในภายหลังก็ควรที่จะไหวควรจะ บ, บูชาได้เหมือนกันควรบริจาคทานได้ไม่ใช่ว่าบริจาคทานให้ตั้งแต่เพศบรรปชิตฐ์เท่านี้ก็หาม่ได้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 มันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเราแต่ละคนน่ะอันใจบุญทุชนี่มันกลับกรอกได้เหมือนกันเมื่อมันกลับกรอกไปในทางชั่วมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้แหละแตนเมื่อมันรู้ตัวเห็นว่าตนกำลังหลงไปทำชั่วพูดชั่วอยู่อย่างนี้ละ อธิษฐานใจกลับตัวมาทำความดีพูดดีคิดดีมีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยก็จะกลายเป็นกรัญรยาณชนไปทีแรกก็ท่านเรียกว่าผู้ทุชนแปลว่าผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาบาปประทรมผู้ไม่เพียรพยายามละกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเอง สะสมให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงได้นามว่าปุถุชนนั่นฟังเอาสิว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นกัลยาณชนอยู่ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองจะไปคนอื่นพิสูจน์ได้อย่างเดียวไม่สมควรเราแหละต้องพิสูจน์ตัวเองมิฉะนั้นก็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 เป็นต้องต้องสังเกตต้องรู้จิตใจตัวเองเสมอเมื่อจิตใจตนมันฝักฝ่ไิทาง ก, ก, ก, กิเลสมากอย่างนี้นะท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนแลยอาจิตใจนี่เห็นโทษแห่งกิเลสอันหยาบท้าลาโมกเหล่านั้นจริงเมื่อนายจริงตนที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันน่ะ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 เพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้รับทุกข์ทนทรมานมาในสงสารผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจเลยแบบนี้นะจะต้องเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าใจไม่ชอบมันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกกิเลสนี่กิเลสมันตั้งอยู่ได้เพราะใจชอบมันเดียวนี่นะ ดูให้มันเห็นเมื่อชอบความรักมันก็สะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจเป็นอย่างนั้นเมื่อมันชอบความเกลียดชังมันก็แสหาแจ่เรื่องหน้าเกลียดหน้าชังนั่นแหละไอ้ตนเองไม่ได้ได้พิจารณาตัวเองว่าตนยังชั่วอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนชั่วบางคน่ะ จะไปแสหาแต่มองแต่คนอื่นหาว่าแต่คนอื่นเขาไม่ดีสำคัญว่าตนดีฝ่ายเดียวอันอย่างนี้มันมีมันเป็นอุปกรเลอย่างหนาไม่ใช่อย่างบางนะแบบนี้นะอันนี้แหละที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ถือมั่นในทิฏฐิคือความเห็นน่ะใครจะกเกือนก็ไม่เอาด้วยไม่ฟัง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 คนถือมันในทิศมัไปทํานองนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้ละละความคิดความเห็นต่ตางๆให้หมดแล้วันนี้ให้ให้มันเกิดความเห็นจริงความรู้จริงขึ้นมาแทนความเห็นความรู้อัในใดไม่จริงไม่แน่นอนแล้วละทิ้งให้มันหมดเลยซะก่อนให้ใจมันรวมลง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 ปวดอุจจาระถ้าไม่ได้ถ่ายก็เป็นทุกข์หรือไปถ่ายแล้วมันไม่ออกท้องผูกอย่างนี้นะอุจจาระแข็งอา้าวก็เป็นทุกข์ล้วเป็นนั่งเบ่งกันจนว่าพอแรงนะมูนี่ลองคิดดูความทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้นะ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 ข้าวเต็มเม็ดเต็นวยก็เป็นทุกข์อา้าวทานาลงไปนาลุม่มฝนตกมากน้ำหลากมาท่วมข้าวตายก็เป็นทุกข์เป็นเจ้าเป็นนายไปทําผิดระเบียบของเจ้าของนายอา้าวถูกผู้บังคับบัญชาตัดเงินเดือนตำหนิตีเตียนเอาก็เป็นทุกข์ ทำงานไม่ก้าวหน้าเพราะตนประพฤติเลวไหลในหน้าหน้าที่ราชการ่นี่ น, นะเป็นพ่อค้าพาณิชย์ทำการค้าขายขาดทุนไม่มีกำไรก็เป็นทุกข์หรือว่าถูกกี้ถูกกล้นเอาเงินเอาทองไปก็เป็นทุกข์ ลองพันานาดูสิความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันมากมายจริงๆนะมันล้วนแต่ทุกทั้งนั้นเลยไอ้ตัญหานะ่มันกระซิบจิตใจของคนเราเนี่ยแม้ถ้าเราได้มีมาแล้วคนสวยอวงามอย่างนี้มาแล้วเราจะถุกใจเต็มที่เลยทีเดียวถ้าฝ่ายผู้หญิงก็ดีไปเจอชายที่ตนรักเข้า แม้ถ้าเราได้ชายคนนี้มาเป็นสามีนี่แม้เราจะมีความสุขใจมากคิดเข้าไปใส่กุ้มใจล่ะแหวงหากันไปอา้าถ้าไม่ได้รูปสิ่งที่ตนชอบใจนั่นกะเอาแล้วที่นี่เดือดร้อนแล้วบางลายก็ถึงกับฆ่าตัวตายเลยวรเดีเยวมันผิดหวังอย่างใหญ่โต คนพูดถึงกับฆ่าตัวตายเนะี่ยมันเป็นท่าแห่งความรักเอาจิงๆน่าเสียดายร่างกายอันนี้พ่อแม่เลี้ยงมาแสนทุกแสนยากจะเริญนไว้ใหญ่โตมาแล้วก็มาตกเป็นท่าแห่งความรักถึงกับทำลายมรดกอันร่ำค่าของมารดาบิดาอันนี้ให้ย่อยับไปก่อนการเวลาที่ควรจะตาย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 ไม่มียังไงล่ะมีกายมีจิตบาครองอยู่เนี่ย <c oughs> ปานะสั ญ, ญิโตจิตคิดจะฆ่านี่นั่นแหละทำความเพียรเพื่อจะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายแล้วสัตว์นั้นตายด้วยความเพียร น, นั้นสัตว์หมายถึงดวงจิตนี้เองแหละคำว่าสัตว์ตะวะแปลว่าผูกข้อง จิตคลองอยู่ในร่างกายอันนี้เนะยนั่นแต่ตนมาเกลียดชังกับร่างกายอันนี้และวอาเกลียดพยายามทําลายร่างกายนี่มันแตกกลับย่อยยับไปมันก็เท่ากับว่าทําลายสัตว์คือดวงจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกันกับทําลายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นกรคำเป็นเว น, นตอบสนองกันไปอยู่นั้นแหละ พอเกิดไปชาติหน้าเอาถึงเวลากรรมนั้นมันจะให้ผลมาแล้วมันก็ไปมีเรื่องอะไรผิดหวังมาให้เกิดความกุ้มใจจนไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องนั้นให้ตกไปได้เลยนั่นแหละก็ไปขาดตัวตายอีกอย่างเ้ยถึงห้าร้อยชาตาิกรรมเวนี้ถึงจะหมดลง เ, เพราะฉะนั้นแหละ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 แป้งแต่งตัวเข้าไปเอาอ น, นุนมาใส่อันนี้มาประดับเข้าไปอย่างนี้ปรากฏร่าสวยงามหรูหราไปเลยเป็นอย่างนั้นพราะมันขาดการพิจนารณาไข้ควรทุกวันทุกคืนไปถ้าถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้จะเห็นว่าร่างกายนี้มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ ตลอดเวลามาเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละโรคประจําร่างกายมันมีมาอยู่อย่างนั้นนอะอส่วนโรคจอ น, นั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรพวกนี้นะเจ็บหัวปวดท้องท้องเดินอืมือนี้มัน มันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อรับประทานยู่ยาเข้าไปแล้วมันก็หายไปแต่โรคตีประการดังกล่าวมาแล้วนั่นนะแมื่อจะรักษาเยียวยาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายอาหารอย่างนี้รับประทานทุกวนันทุกวันมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละเนี่ยลองคิดดูอ่นะน้ํามีดื่มมีทุกวนันวันละกี่หลายหายครั้ง มันก็ยังหิวทั้งนี้นอนก็เหมือนกันนะนอนทุกคืนทุกคืนมันก็ยังไม่อิ่มเลยอ่ะอาวคืนต่อไปหิวอีกแล้วหนึ่งนี้นะเราจะไม่ถือว่าเป็นโรคประจําร่างกายอย่างไรเล้วที่ดูให้ดี อ, อย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกคืนนั่นนะเพราะมันของมีจริงนะมีอยู่ในสภาพร่างกายนี้แล้ว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 อย่างนี้แหละหายใจออกมาแล้วตายความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันออ้าวในขณะนี้คิดถึงเรื่องนี้สักหน่อยเรื่องนี้ดับไปมันก็ไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกอนั่นเรียกว่าการคิดเรื่องใหม่ขึ้นมานั่นเกิดคิดเกิดนั่น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 นี่เป็นกากแล้วถ่ายไขออกไปอันนี้ก็เรียกว่ารูปเก่ามันดับไปอยู่อย่างนี้แหละแม่น้ํากับมันกันดื่มเข้าไปเอาน้ําเก่าก็เป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นใครไหลออกไปเอาน้ําใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงไว้แทนเรียกว่าเกิดถ้าน้ําเกิดขึ้นอันใดเป็นเหงื่อเป็นใครไหลออกไปนถ้าน้ํามันดับไป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 ก็คือลมหายใจออกไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นลมพัดลงเมืองต่ําก็คือลมหายใจเข้าไปนี่ลมในท้องมันก็วนไปเวียนมาอยู่ในท้องเนี่ยลมประเภทเนี่ยลมในไส้นี่มันก็วนเวียนอยู่ในไส้นั่นแหละคนเราจะ่ายอุจาระประสัสสาวะออกไปอาศัยลม ในใส่นี่แหละมันพัดเอามันดันออกไปถ้าหากว่าลมประเภทนี้มันอ่อนกําลังแล้วไม่มีกําลังเบ่งแล้วลมมานี่มันอ่อนแล้วอ้าวท้องผูกแล้วถ่ายไม่ค่อยจะออกแล้วเป็นทุกข์นี่เรียวกว่าถ้าลมมันเกิดมันดับนะลองคิดดูลมพัดไปตามตัวมูนี่ ถ้ามันแรงเกินไปก็เป็นลมแล้ววันนี้หน้ามืดตาลายเออเดินไม่เผินไปไหนมาไหนไม่ได้มิจนอนหลับตาพิมพ์ดมยาแก้ลมอยู่งั้นแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกโมนี้มันก็ล้วนแต่มันเกิดมันดับอยู่ทั้งนั้นลมธาตุลมโ ม, มนี้ก็ดีไม่มีธาตุอันใดที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลย ก็ต้องน้อมสติเข้ามาสัมรวมจิตใจให้นแน่วแน่แล้วมาเพ่งดูท่าทั้งสี่อันอันรวมเข้าเรียกว่าร่างกายอันนี้นะดูให้มันถีน่ท้วนมันจะเห็นเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเลยเมื่อเวลาบุญกรรมที่ทำมาเต่ท่านก่อนน้นมันยังไม่หมดถึงแม้มันจะเกิดดับอยู่เนี่ย ส่วนสันตติมันก็ยังมีสืบต่อไปอยู่เอรับทานอาหารก็ยังมีรถอยู่อย่างนี้นะมันก็ถึงเป็นอยู่ไปได้นั่นแหละ <c oughs> นอนก็ยังหลับอยู่เอย่างนี้และอุจจาระปัสสาวะก็ยังถ่ายเทคล่องอยู่ลมหายใจก็คร่องแคล่วอยู่นย่างนี่ยร้อนก็ไม่ร้อนมากเกินประมาณหนาวก็ไม่หนาวมากเกินประมาณพอทนได้ นี่อสาเหตุที่ร่างกายอันนี้มันจะอยู่ไปได้นั่นนะก็เพราะอาศัยบุญกรรมแต่เก่านั่นแหละมาช่วยอุปถัมภามลุนทีนี้พอหมดบุญหมดกรรมเก่านั้นลงไปเมื่อใดแล้วธาตุทั้งสี่นี้เลยแตกสามัคคีกันออกไปอขดธาตุน้ํา ม, มันมากเกินไปมันก็ทําให้ท้องร่วงอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละ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 ผาดไฟเมื่อเวลามันบุญกรรมมันล่อยหล่องไปแล้วก็อย่างว่าบางข้าวก็เป็นไข้ตัวร้อนประอดขึ้นไปทั้งเยอะแยะบางข้าวธาดไฟธัตอ่อนลงไปสู้กับความหนาวก็ไม่ได้พอหนาวมาสันหมูนี้นะ <c oughs>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 ดวงจิตที่มาใส่อยู่ในตภาพร่างกายนี้นะถ้ามันไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสาภาพความจริงของมันอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแล้วเมื่อเวลาธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสมรูคีกันแล้วก็เป็นทุกข์งไงเลยวันนี้ยดวงจิตเนี่ย น, นั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะดวงจิตนี่มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะมัวเมาประมาทมีตจเพลินอยู่เอไม่นึกว่า ธาตุสี่นี่มันจะแตกสามัคคีกันเลยนึกว่ามันจะพองรองสามัคคีกันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปอะแล้วก็นิ่งนอนใจมีแต่เพลิดเพลินยินดีไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจหมดนั่นแหละเพลินอยู่นั้นผู้คลองเรือนก็เพลินไปหาลาบ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 ขาดตอนลงไปงจริงชีวิตนี่ก็ขาดออกจากกันกายก็เน่าเปื่อยผุพังลงสู่พื้นดินนี้จิตใจก็ไปตามยถากรรมแบบ น, นี้นะตนยึดกรรมดีได้กรรมดีก็พาไปเกิดที่สุขสบายเมื่อตนยึดกรรมชั่วใส่ตัวไว้กรรมชั่วมันจะสุดคลา้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น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 แต่ในพุทธศา ส, สนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสเพสตากรรมมัตตากรมมัทายธากรร ม, มโยนิกรร ม, มบันทุกกรร ม, มปฏิสารนาละว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้น เป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิร์ดพาให้เกิดขึ้นมาหมายความว่ามีกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาตัต่ชาติก่อนนั่นแหละมันพามาเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์พวกค้องติดตามมาหลีกจากกรรมไม่ได้เลยมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไปเกิดในโลกหน้าก็นี้ก็มีกรรมดีกรรมชั่วนี้แหละ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 พระเาชากรใครมัวมาประมาทเพิดเพลินไปในกรรมคุณอย่างที่ว่านั่นแหละไม่คิดบำเพ็ญบุญกุศลไม่คิดประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคิดทำแต่กรรมชั่วมากกว่าทำกรรมดีเมื่อเกิดมาชาตินี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นพวกค้องติดตามมาพามาเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลาบาก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 นั่นคนท่านรำรวยอ่ะพวกข้อค้าพาณิชย์ต้นก็จนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นเองมันรวยมากๆทำการค้าการขาย <c oughs> มีสติมีปัญญาผลิตสินค้าออกไปขายนานาประการหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่คนมีบุญมากทั้งนั้นเลยมาเกิดในโลกนี้นะ <c oughs> เป็นอย่างนั้น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 นี่กรรมดีเนี่ยเมื่อมันมีมากแล้วมันก็อุปธรรมบำรุงชีวิตนี่ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยยาลาบยศสนเสริญในความสุขกายสบายใจไปนานเหมือนอย่างบางยุคบางสมัยอย่างนี้แหละคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมืนปีหรือถึงแสนปีก็มีถึงอาสงไขยปีนันก็มีทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่บุคคลพวกนั้นทำมากมากนั่นเองแหละ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 แต่ว่าโรคกรรมโรคเวนอันเกิดจากบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั้นไม่มีถ้าโรคกรรมโรคเวนอย่างนั้นมีแล้วอายุไม่ยืนคนเรานะ่ะต้องตายต้องตายง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อหมดเถิดของบุญของบาปนั้นแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกถลายลง แม้ว่าผู้จะมีอายุยืนไปถึงอสงไขยพีก็ไม่พ้นตายแหละก็ต้องตายอยู่ดีๆเนี่ยบุญหมดลงเมื่อไหร่ก็ตายลงเมื่อนั้น น, ะนี่การเจริญวิปัสสนาปัญญานะเราต้องเพ่งพิจารณาค้นคว้าเหตุปัจจัยชีวิตเนี่ยให้มันเห็นตามความเป็นจริงนะอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยไม่ใช่เหรอ ทำที่ว่าของเราของเขานะ่ะตัวเราตัวเขานะ่ะมีอยู่ที่ไหนล่ะวัเนี้ไม่มีเมื่อเราเพ่งดูแล เ, เมื่อเพ่งดูต้นตอนจริงล่ะดวงจิตอันนี้นะมาอาศัยธาตุของมารดาธาตุของบิ ด, ดาผสมกันเข้าแล้วมีบุญบาปที่ตนทามาแต่ก่อนนำมาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้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 เราเพ่งค้นมาแต่ต้นต่อของรูปกายอันนี้ดูสินั่นแหละเราจะโมเมเอาว่าเป็นของเราได้อย่างไรอ่ะนี่ธาตุของมารดากับธาตุของบินาผสมกันต่างหากนะไม่ใช่ของเราอย่าไปถือว่าเป็นของเราปัญญาสอนจิตนี่เข้าไปอย่างนี้อ่ะมันก็เมื่อจิตนี่มันรู้ชัดตาตามไม่จริงมีเหตุมีผลมาย่างอิงอย่างว่าเนี่ย มันก็คลายความยึดความถือออกไปเรื่อยๆแหละคลายความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแ่ะไปเรื่อยๆทีเดียวคลายออกไปเรื่อยนี่แม้ว่าคนนั้นจะอยู่กองเรือนก็ตามจะเป็นทั้งบวชก็ตามใครอยู่ที่ไหนบำเพ็ญภาวนาค้นคว้าพิจารณาอยู่ในที่นั้น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 ความคิดความอ่านความรู้แจ้งในตาหูจมูกเลีน้นกายใจหมูนี่เรียกว่านามธรรมาอันนี้อันนี้ก็ต้องรู้ได้ด้วยสัมผัสรู้ได้ด้วยปัญญาอีกเหมือนกันเนี่เพราะมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นผู้ใดน้อนสติเข้ามาสัมรวมใจเพ่งกรรมฐานจนใจสงบลงไปแน่วแน่ลงไปแน่นะ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 อย่างนี้แหละเมื่อจิตกับกายสัมผัสกันเป็นปกติอยู่ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปพอดีพอดี อ, ดอันนี้ท่านก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์อันไม่ดีไม่ชั่วไม่ถุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางนี่นี่เราต้องใช้ปัญญาการ รู้แจ้งในนามธรรมา ท, ำทำอันไม่มีรูปไม่ร่างซึ่งอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้นะ่ะต้องอาศัยปัญญาเพ่งดูจากสัมผัสนั่นแหละจากจิตกับกายสัมผัสกันน่นนะจึงจะรู้ได้เ<ม>ป็นอย่างนั้นฉะนั้นการรู้แจ้งในนามในรูปอันนี้นะ่ะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากสมาธินั้น เมื่อมันรู้มันเห็นอยู่นี่บ่อยๆเข้าไปมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทําไมถึงเบื่อเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเลยมันแปลปวนไปถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วก็มันก็ไม่เบื่อหน่ายหลอยถ้ามันไม่เที่ยงแล้วศาสนาก็ไม่มีผู้ที่จะมาสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุธเทธเจ้าก็ไม่มีก็ะเพาะเหตุว่าโลกคืออัตภาพร่างกายเนี่ย ทั้งภายในทั้งภายนอกนี่มันไม่เที่ยงจิตวิญญาณที่มาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันมันก็เป็นทุกข์ดิ้นรนเดือดร้อนนี้แหละมันถึงได้มีผู้สร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อได้จะมีปัญญาอันยอดเยี่ยมมารู้แจ้งโลกนี่ตามเป็นจริงแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้ชาวโลกทั้งหลายที่หนาแน่นไปนด้วยกิเลสตัณหาที่ปัญญาน้ย ให้ให้ได้มีปัญญามากให้ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาสามารถมองเห็นโลกอันนี้ตามสาภาพความเป็นจริงดังกล่ามานั้นแล้วก็สามารถที่จะปล่อยจะวางได้เลยแบบนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันเบื่อนายเมื่อเบื่อนายด้วยปัญญาแล้วมันปล่อยได้วางได้ถ้าเบื่อนายตามสัญญาเฉยๆเนี่ยมันวางไม่ได้เรื่องมันนะ วางไม่ได้เหมือนอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเบื่อหน่ายกายันแยกทางกันไปพอใจดีแล้วก็คิดถึงกัน ก, กลับมาดีกันอีกไอ้อย่างนี้ท่านไม่ไม่จัดว่าเป็นความเบื่อหน่ายในที่นี้ในที่นี้ต้องเบื่อหน่ายด้วยปัญญาถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นเอในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านี่ เสียได้ปล่อยวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ดังแสดงมา